านามัสการพอาจารย์ยุกิอาจารย์ทรงศินแลวก็เพื่อนธรรมทุกท่านจเจริญในธรรมแาะยมทุกคนพวกเราทุกคนได้มีโอกาสเกิดมานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ยากนะพูะพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นเป็นของยาก การได้มีชีวิตอยู่นะก็เป็นของยากการได้ฟังธรรมนะก็เป็นของยากการที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูนุนี่ก็เป็นของยากนะพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าเนี่ยสิ่งที่ยากนะในโลกนี้มีมีสี่ประการเนี่ยแหะถ้าเราพิจารณาโดย ด, ดีก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเนาะ มนุษย์เราอาจจะมีทั่วโลกนี้ 7, ประมาณเจ0ดพันล้านคนนะแต่ถ้าเทียบกับสัตว์ประสาททั้งหลายนะทั้งในโลกนี้นะหรือว่าโลกที่เป็นสวรรค์พรมหรือว่าที่เป็นสัตว์นรกนะหรือว่าอสุรกายต่างๆมันเทียบกันไม่ได้เลยกับมนุษย์เพราะว่ามันมีมากมายมหาศาลนะ อันนั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ยากจริงๆนะแต่การที่ได้เป็นมนุษย์แล้วนะได้มีชีวิตรอดอยู่ได้ น, นี่ก็ก็เป็นสิ่งที่ยากนะบางคนตายไปตั้งแต่ตอนเป็นเป็นเด็กบางคนก็โตขึ้นมาก็เสียชีวิตไปบางคนก็กลางคนบางคนก็แก่ชราล่วงเลยไปนะ แต่หลายๆคนก็สมัยนี้ก็มีมาตรฐานชีวิตที่ดีก็ชีวิตอยู่รอดกันกันเยอะแต่การที่เราได้มีชีวิตอยู่รอดแล้วเราได้มาฟังธรรมะนี่ก็เป็นสิ่งที่ยากนะหลายคนก็มีชีวิตอยู่ไปวันวันนะทำมาหากินนะมีชีวิตครอบครัวสุดท้ายก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปเฉยๆนะมีชีวิตอยู่เหมือนไม่มีชีวิตนะ เพราะว่าคล้ายๆเหมือนใช้ชีวิตเพื่อหาเงินหาทองนะใช้ชีวิตเพื่อเพื่อปากเพื่อท้องไปเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นการใช้ชีวิตเพื่อพัฒนา จ, จิตใจหรือว่าไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อทําให้เกิดความพ้นทุกข์ออกไปก็เสียดายนะที่ได้เกิดมาแล้วก็มีชีวิตแล้วนะแต่ก็ตายไป นะการได้ฟังทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับมนุษย์เรานะหลายคนนะถ้าเราสังเกตเพื่อนร่วมโลกของเราเนะก็เวลาหมดไปกับสิ่งภายนอกเยอะแยะมากมายนะสุดท้ายก็แก่ก็เจ็บตายไปเฉยๆนะอยีกอย่างหนึ่งสิ่งที่หายากคือการมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรูนะ้ธรรมะแล้วก็มาสอนธรรมะนะ ผู้รู้ที่สอนวิชาต่างๆสอนรัติต่างๆก็มีมาตั้งแต่โบราณมีมาทั่วโลกนะแต่ผู้รู้ที่จะรู้ความจริงจริงๆเช่นพระพุทธเจ้านี่ยากมากที่จะมีนะแม้แต่สมัยพุทธกาลก็มีเจ้ารัฐิต่างๆมากมายพระพุทธเจ้าก็เกิดมาท่ามกลางเจ้ารัฐิต่างๆเรานั่นแหละ แต่ท่านก็ไม่ได้ไปขัดแย้งกับรัฐที่อื่นหลักนะแต่ท่านเพียงแต่ว่าท่านก็สอนความจริงที่ท่านรู้นะแล้วความจริงที่พระเจ้าท่านสอนน่ะก็เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้เนาะเราก็มาทําการพิสูจน์ดูคําสั่งสอนของพระเจ้านี่แหละนะท่านสอนให้เรารู้จักเรื่องของความทุกข์นะเราก็เห็นอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าจิตใจเราไม่ไม่ยอมรับว่า ร่างกายมันเป็นทุกข์แบบไหนจิตใจเป็นทุกข์แบบไหนเราก็จะคอยหลบเลี่ยงความทุกข์อยู่ร่ำไปนั่นความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับกายก็ดีกับใจก็ดีที่เห็นนะัก็ให้ยอมรับความจริงไปเลยเออมันเป็นทุกข์เช่นนี้นี่เองนะกายแสดงความทุกข์ก็ไม่ต้องปฏิเสธเออก็ยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับความหิวกับความหนาวกับความร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยนะ ทุกของกายเมื่อเรารู้แล้วเราก็กำหนดด้วยการนะด้วยการรู้แล้วก็บริเทาบำบัดรักษาไปอันนี้เรื่องของทุกของกายนะเราแก้ไขเช่นนั้นเรื่องของทุกของใจคืออะไรนะทุกพวกความพัดภาคสูญเสียทุกพวกความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจนะทุกเพราะพัดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจนะ แต่จริงถ้าจะว่าแล้วเพราะการได้เกิดมาเป็นมนุษย์การได้เกิดเป็นสัตว์เนี่แหละก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมเพราะมีการเกิดก็เลยมีการแก่ก็มีการเจ็บก็มีการตายนะเราไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายไม่ได้ในเมื่อมาเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีสิ่งต่างๆนี้ตามมาทางใจก็เป็นเช่นเดียวกัน พะมีการเกิดขึ้นมาแล้วนะในรูปในนามนี้นะก็เลยต้องประสบกับความสิ่งที่เป็นที่รักบ้างไม่เป็นที่รักบ้างนะประสบกับความโศกประสบกับความสุขบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกหนีชะตาชีวิตตัวนี้ได้เว่าะเราได้มีความเกิดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะนะเราจะสามารถเรียกว่ารู้จากเรื่องความทุกข์นั้น มาเป็นสิ่งที่เพียงแค่เกิดขึ้นมาชั่วคราวเท่านั้นนะจะเป็นความเสียใจก็ไม่มีใครเสียใจยันทั้งแก่จนตายหรอกนะแล้วก็เสียใจชั่วคราวนะในหลายคราวที่เรารู้สึกว่าโลกนี้มันมีความทุกข์มากมันหนักมากแต่ที่จริงแล้วบางทีเราก็ดื้มันไปแล้วก็ผ่านมันไปมันก็ไม่ไทุกข์หนักหนาอะไรสักเท่าไหร่พอมองย้อนกลับไปในชีวิตในอดีตก็เออหัวเรากตัวเองได้ นะเห็นว่ า, าตัวเองมันโง่ขนาดไหนที่ไปจมกับความทุกข์ตรงนั้นนี่ความทุกข์เขาก็แสดงให้เราเห็นนะว่าเขาเขาไม่ได้คงที่แน่นอนอะไรหรอกนะมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นแต่การที่เราได้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมนะมากขึ้นจริงๆเนาะไอความทุกข์พวกนั้นก็เป็นความทุกข์แบบหยาบนะ แต่ทุกที่มันละเอียดขึ้นไปไปในจิตไปใ น, ในใจก็คือทุกที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตนี่แหละนะเปลี่ยงแค่จิตมันเผลอไม่รู้สึกตัวนะจิตมันเผลอไปคิดจิตมันไปเสวยอารมณ์จิตไปแช่กับอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราสังเกตดีๆมันก็เป็นความทุกข์ละแค่จิตมันไดออกไปนะจากความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันก็พร้อมจะต่อไปเป็น เรื่องราวเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะก่อไปเกิดเป็นพบเป็นชาตินะเป็นความทุกข์อันนั้นสิ่งที่สําคัญนะถ้าเรามาสังเกตโดยจริงที่จริงความทุกข์มันเกิดจากเพราะว่าเพราะว่าเราหลงไปนี่แหละนะหลงไปนะจากการรู้สึกตัวเนี่แหละคือสาเหตุของความทุกข์นะหลงไปแล้วก็ มันก็เกิดเป็นความอยากนะเกิดเป็นความไม่อยากนะเกิดขึ้นภายในจิตภายในใจพอเราเห็นว่าอ้อความทุกข์มันเป็นเช่นนี้นะเพราะว่ามันจิตมันหลงไปนหะลงไปจากความรู้เนื้อรู้ตัวนะเราก็สามารถละความหลงนั้นมาเป็นความรู้นะความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็ดับมันก็ดับไปนะนั้นการทําความรู้สึกตัวเนี่ยเลยเป็นเครื่องมือในการ ในการแก้วความทุกข์จากจิตใจของเรานเราจะาทำความรู้สึกตัวด้วยรูปแบบไหนก็แล้วแต่นั่นแหละคือการแก้ไขความทุกข์แล้วแล้วก็เพียงแต่ว่ามันฝึกฝนหรือว่าเพิ่มพูนในการทําความรู้สึกเตอนนี้ให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนความทุกข์มันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกับ แสงสว่างนะที่ถ้าแสงสว่างมีมากขึ้นความมืดมันก็น้อยลงไปนะความทุกข์ใจนะหรือว่าความไม่รู้ความจริงนะในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะเราก็แทนที่ด้วยความรู้นะแทนที่ด้วยปัญญาแทนที่ด้วยอุเบกขาการปล่อยวางการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในใจความยึดมั่นถือมั่นที่ นะไว้ในใจนะตัวตนที่เคยใหญ่นะอุปทานที่เคยมากมันก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าตรงกันข้ามกันนะหรือบางทีหลวงพ่อก็จะพูดว่าที่จริงมันก็มีแค่ตัวรู้กับตัวหลงท่านนั่นแหละนะในชีวิตนี้นะถ้าเราไม่รู้มันก็หลงถ้าเราไม่หลงมันก็รู้นะมันเหมือนสองสิ่งนี้ที่มันคอยแย่งพื้นที่ นะในจิตใจอยู่เสมอนะจิตใจที่ที่จริงจิตเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ว่างๆ ว, ว, วางๆเป็นปกติของมันอยู่นะมันเป็นธรรมชาตินะจิตนี่คือเป็นอาการที่จะเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมทีท่คอยรู้อารมณ์ก็ไดนะ้มันจะรู้อารมณ์ฝ่ายที่เป็นเป็นพุท ธ, ธะก็คือตัวรู้ก็ได้ นะหรือว่ามันจะไปเสวยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นการปรุงแต่งก็ได้นะนั้นจิตนี้เป็นสภาวะที่ว่างๆนะถ้าจะเปรียบเปรียบเทียบง่ายๆนะเหมือนกับแก้วน้ำนะเหมือนกับแก้วน้ำอ่านะเราจะเอาน้าอะไรมาใส่ในแก้วน้ำนั้นมันก็เป็นนะมันก็เป็นไปตามเรียกว่าสิ่งที่มาใส่นะ แต่จริงแก้วน้ำกับน้ำที่มาใส่ในแก้วน้ำมันเป็นคนส่วนกันนะจิตใจกับอารมณ์กับความคิดกับการปรุงแต่งก็เป็นเช่นเดียวกันจิตมันก็เหมือนกับแก้วน้ำนะความคิดอารมณ์การปรุงแต่งเหมือนกับน้ำที่มาใส่จะเป็นสีไหนจะเป็นรสชาติใดมันก็เป็นไปตามนั้นนะแต่จริงสองส่วนนี้มันแยกขาดออกจากกันนะแยกขาดออกจากกันนะ ฉะนั้นเราก็เพียงแค่ว่าเราค่อยสร้างนะหรือว่าคอยมันทําให้เกิดความรู้สึกตัวหรือว่าทําให้จิตตอนนี้มันเหมือนมีมีน้ําที่สะอาดมีน้ําที่สงบมีน้ําที่บริสุทธิ์นะเกิดขึ้นอยู่เสมอนะหรือว่าเป็นน้ําที่ทําให้เกิดความรู้นะความรู้ในกองสังขารคือร่างกายจิตใจนี่แหละนะเรามาสร้างตอนนี้มาค่อยทําให้ นะจิตใจมันเกิดความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นนะทำยังไงก็ได้ให้เกิดความตื่นตัวขึ้นนะนะจะยืนเดินนั่งนอนหายใจเข้าหายใจออกทำการทำงานนะพยายามนะี่แหละรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรนะจิตใจมันเผลอไปคิดจิตใจมันกนังวลจิตใจมันทุกขนะ์เรื่องอะไรก็กลับมารู้ตัวรู้ในสิ่งที่เรากำลังทำนั่นแหละนะนะการงานทุกอย่าง ไอเดียบดทุกอย่างก็เพื่อสร้างความรู้ตัวนะแต่ถ้านะถ้าเราทํางานแล้วเราหลงไปเพลินนะเราหลงไปคิดนะก็แสดงว่าเราหลงไปละไม่รู้ตัวนะแล้ก็กลับมารู้ตัวกับการงานที่เราทำนี่แหละนะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถกลับมารู้สึกตัวได้นะหรือเรารู้เท่าทันเวลาเราไปจมกับอารมณ์ไปแช่กับอารมณ์นะบางทีเราก็ไปแช่กับความคิด กับความปรุงแต่งนะไปแช่กับความสุขบ้างไปแช่กับความทุกข์บ้างไปแช่กับความสงบบ้างนะไปพอใจในความสงบไปพอใจในความสบายหรือบางทีบางคนก็ไปพอใจกับความว่างๆนะไปแช่ไว้ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นความหลงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะนะเราก็ต้องกลับมานะกลับมาดูตัวเองว่า จิตตวเนี้ยมันไปแช่กับอารมณ์ไหมนะมันไปพอใจกับความสุขความสงบหรือไม่นะหรือว่ามันปล่อยจิตปล่อยใจฟุ้งซ่านไปเราต้องกลับมาดูตัวเองนะกลับมาดูตัวเองนะไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเราได้จริงๆเนอะเนะพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ท่านก็เป็นแต่เพียงผู้บอกแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ที่ต้องทําเองนะต้องกลับมาดูตัวเองอยู่เสมอนะ การปฏิบัติธรรมก็คือการกลับมาดูดูจิตดูใจดูกายของตัวเองนี่แหละนะกลับมาดูอยู่เสมอนะเมื่อเราดูเราก็จะเห็นนะเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะไม่เข้าไปเป็นเมื่อเราไม่เป็นแล้วมันก็ไม่มีตัวตนนะในสิ่งที่เห็นนั้นนะมันก็เห็นเพียงแต่ว่าสักสักแต่ว่าเออมันเป็นเรื่องของรูปเนาะนะนะรูปมันมีอาการเช่นนั้นเนาะนะนะรูปมันเดินยืนเดินนั่งนอนรูปมัน ผู้เหยียดเคลื่อนไหวรูปมันทุกข์รูปมันปวดรูปมันเมื่อยรูปมันแก่รูปมันเจ็บรูปมันตายนะปัญญามันจะเห็นว่าสักแต่ว่าเออมันเป็นเรื่องของรูปเนาะนะไม่ใช่เรื่องของเรานะมันเป็นเป็นเพียงเรื่องของรูปในร่างกายนี้เท่านั้นแต่ไม่ใช่เรื่องของเรานะปัญญามันจะเห็นตรงนั้นเออมันจะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นนะเจนทา้งถ้ามัน ปัญญาในการรู้รูปเต็มที่มันก็ไม่ยึดมั่นว่ารูปนี้เป็นของเรานะมันก็จะเห็นว่ารูปนี้เพียงแต่ว่าสักแต่ว่าธาตุทั้งสี่มาประกอบกันนะดินน้ามลมไฟมาประกอบกันนะสักแต่ว่าการได้ดำรงอยู่ในอัตภาพนี้นะแต่เรามีรูปแม้เหตุว่าไม่ใช่ของเรานะแต่ก็ยังต้องดูแลรักษาเขาเพื่อเป็นพาหนะในการ ข้ามฝั่งนะเป็นเครื่องมือที่เราต้องนะใช้ในการปฏิบัติธรรมอยูนะ่เห็นรูปนี้เป็นความทุกข์แต่ก็ไม่ดังเกียรตทุกข์อันนี้นะเห็นรูปนี้ว่าไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดูแลไม่รักษาเขานะเหมือนกับเรายืมของคนอื่นเข้ามาใช้นะยืมหนังสือนะยืมเงินยืมทองเราก็ต้องรักษาตรงนั้น ให้มันไม่เสียหายแต่สุดท้ายก็ต้องคืนเข้าไปนะของใดที่เรายืมเข้ามานะเราก็ต้องคืนเข้าไปเช่นนั้นรูปนี้ที่เรายืมธรรมชาติมาก็ต้องคืนไปเช่นนั้นเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะคืนรูปนี้ให้กับโลกนะเราก็ใช้ประโยชน์จากรูปนี้ให้มากที่สุดในการที่จะพัฒนาจิตใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากหรือแม้แต่เรื่องจิตใจก็เช่เนเดียวกันเนาะนะ เราจะบอกว่าจิตใจนี้มันก็เป็นอนัตตานะจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตใจนี้มันไม่เที่ยงจิตใจนี้มันเป็นทุกข์นะบังคับบัญชาไม่ได้แต่แม้เจ็จิตใจไม่ใช่อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เนาะแต่จิตใจนี้เป็นธรรมชาติที่สามารถฝึกได้นะเราสามารถฝึกจิตใจเราให้มันสูงขึ้นไปได้นะฝึกให้มันจากจิตใจที่หลงเป็นจิตใจที่รู้นะ ใจิตใจที่คิดกลายเป็นใจิตใจทีนะ่หยุดการคิดปรุงแต่งนะอันนี้คือเราสามารถฝึกได้ธรรมชาตนะิขนาดช้างมา้าวัวควายนะคนเราก็ยังฝึกได้เด็กเนะกแต่กนที่ยังไม่ภะษีภาษานะเราก็สามารถฝึกให้เป็นผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมามีวุธิิาวะได้ใจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันนะ ถ้าเราสามารถฝึกหัดจิตใจนะเขาก็จะเรียกว่ามีความฉลาดมีความรู้มากขึ้นแตถ่ถ้าเราไม่ฝึกหัดจิตใจแล้วจิตใจก็มีแต่ตกต่ำลงไปนะบางทีจิตใจก็เปรียบเหมือนกับกระแสน้ำนะถ้าเราไม่ฝึกหัดเนี่ยน้ำมันก็ย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ฝึกหัดเนี่ยก็ตกจากที่สูง คือจิตใจที่ดีงามกลายเป็นจิตใจที่สกรปรกนะแต่ถ้าเราฝึกหัดแล้วนะมันก็สามารถถวดได้นะนะส่วนจากน้ําที่สกรปรกกลายเป็นน้ําที่สะอาดได้นะเหมือนกับการบําบัดน้นําอันเะนี้ยนะเรารู้ว่าน้ําตัว น, นี้มันตกรปรกนะก็มีเครื่องมือนะในการบําบัดน้ําให้เป็นน้ําดีได้นะน้ําตัว น, นี้มันยังไม่สะอาดยังใช้ไม่ได้ก็สามารถมากรองใชใ้เป็นน้ําที่ดีได้ ใจของเราก็เช่นเดียวกันนะนะแม้บางครั้งยังมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงนะแต่สติปัญญาเนะี่ยจะช่วยบำบัดนะเปลี่ยนจากกิเลสนะกลายเป็นความกลายเป็นตัวรู้ขึ้นมานะเปลี่ยนจากความโกรธกลายเป็นความไม่โกรธเนี่ยอันนี้คือการปฏิบัติธรรมละนะเปลี่ยนจากความโลภ เห็นความโลภก็ขึ้นในใ จ, ใจิตใจเปลี่ยนเป็นความไม่โลภอันนี้ ป, นปฏิบัติธรรมแล้วนะเปลี่ยนจากความหลงนะหลงไปคิดหลงไปปรุงไปแต่งนะกลับมาจากความคิดกลับมาจากการปรุงแต่งนี่ก็คือเกิดเกิดความรู้ตัวละแล้วก็กลเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วอันเนี้ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่เราสามารถฝึกหัดได้นะเราสามารถปฏิบัติได้นี่ถ้าเราฝึกหัดไปเรื่อยเราก็จะเกิดจิตใจที่เรียกว่า มีความสุขมีความสงบนะมีความรู้ตัวตรงนี้เนะี่ยเรียกว่าจิตใจเราก็มีชีวิตจิตใจที่เรียกว่าสงบเยือกเย็นขึ้นนะแต่จิตใจที่สงบเยือกเย็นสบายเฉพาะตัวเราอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่นะมันก็เพียงพอสาหรับตัวเราแล้วนะนะแต่ที่จริงมันก็จะเกิดกุศลต่อไปให้กับคนรอบข้างด้วยนะ ถ้าเราทําอะไรถ้าเราพูดอะไรถ้าเราคิดอะไรโดยการมีสตินะโดยความมีความรู้สึกตัวละวนะสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทําถึงที่เราคิดนะมันก็จะไม่เป็นการไปเบียดเบียนผู้อื่นนะทําให้คนอื่นก็ได้เกิดสติปัญญามากขึ้นนะทําให้ผู้อื่นก็ได้นะเรียกว่าไม่ลงทิศผิดทางไปอันนี้ก็เกิดกุศลต่อคนอื่นไปขึ้นเรื่อยๆด้วยนะ แม้ไม่ได้พูดนะแม้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่กิริยาท่าทางที่เรานะได้ใช้ชีวิตนะก็จะเป็นกติให้คนอื่นก็ได้คิดว่าอ๋อนะเห็นสมณะแล้วมีความสงบเช่นนี้นะเหมือนพระพุทธเจ้าเดินไปที่ไหนนะคนเห็นก็รู้สึกว่าเอ้คนผู้นี้คือความคือผู้ที่สงบจากกิเลสแล้วนะไม่ใช่สงบแบบซื่อๆนะ แต่เป็นการสงบกิเลสได้นะกิเลสตัดขาดไปแล้วเนี่ยนี่คือสงบจากกิเลสนะผู้รู้นะไปที่ไหนก็มีความสงบเกิดขึ้นที่นั้นสามารถสอนทำมาให้กับผู้อื่นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นชีวิตที่ที่สงบเย็นนะ่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวของเราเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ตามมาด้วยเนาะแต่เราก็ต้องเรียกว่ามีความขนขวายมีความภาคเพียรในการที่จะฝึกตนให้เรียกว่าให้เข้าถึงความสงบเย็นอย่างแท้จริงเนาะเป็นความสงบเย็นด้วยสติและปัญญาแต่ที่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็อย่าได้ละเอยหรือว่าเพิกเฉยนะกับคนรอบข้างกับกิจต่อชุมชน กับหน้าที่ที่เราพึงจะทำนะการทำกิจต่อผู้อื่นการทำหน้าที่ต่อชุมชนเหนือสังคมก็สามารถเป็นเรื่องของการฝึกหัดปฏิบัติทำได้เช่นเดียวกันนะถ้าเราละเลยกิจที่พึงทำนะมันก็จะสร้างความเรียกว่าความเห็นแก่ตัวขึ้นมาในจิตใจของเราก็ได้นะแต่การที่เราได้ทำหน้าที่ใ น, ในสิ่งที่ควรทำแล้วมันก็จะเป็นการเสียสละนะ หรือว่าสระความเห็นแก่ตัวในจิตใจของเราได้นะการในสระความเห็นแก่ตัวก็คือการสระการยึดมั่นนะในตัวตนในความสุขในความสบายของตัวเองนั่นแหละออกไปนะจิตใจก็ได้ว่าพ้นจากเรียกว่าตัวตนมันก็ลดลงนะกิีดนะที่มันคอยมามาพูดในใจนะที่จะให้เราหลบเลี่ยงหลีกหนี หรือว่าหยุดพักกับความสบายกับความสุขอย่างเดียวมันก็จะเรียกว่าไม่สามารถมีกำลังมาชักจิตชักใจเราให้ไปกับตรงนั้นได้แล้วนะอันนั้นสิ่งที่ที่เราจะพึงทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทั้งทาความสงบทั้งความสุขหรือว่าความสงบเย็นในจิตใจของเราเองแล้วก็ ทำหน้าที่ทำกิจที่พึงทำให้เกิดเกิดเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อชุมชนนะต่อสังคมต่อไปชีวิตที่เราได้เกิดมาเนาะนะที่มันเป็นของยากนี่แหละมันก็จะเป็นของที่มีค่านะเราได้ใช้ชีวิตนะที่มันเป็นของยากเนี่ยให้เป็นของมีค่าเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามละนะเราได้ใช้วันเวลาที่ไม่รู้ว่าจะมีสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะอย่างคุ้มค่าที่สุดนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ได้ทําในสิ่งที่มีคุณค่าประเสริฐสุดแล้วนะเราได้มีโอกาสฟังทำนะจากพระจากพระพุทธเจ้าจากการสวดมนต์ก็ตามนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่มีค่าแต่เราก็ต้องแปลงการการฟังนั้นมาเป็นการกระทําด้วยนะในสิ่งที่ได้ฟังเอามากระทํานะทํำในทําภายนอก ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวมีสติทำในใจแม้สงบนิ่งนะแม้เกี่ยวข้องกับตนเองก็เกี่ยวข้องอย่างมีสตินี่คือการกระทำทำอย่างมีธรรมะกำกับไม่ได้ทำแบบมีตัวตนนะทำเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำนะี่เราก็ทำตรงนี้ไปเนะี่ยชีวิตที่เราได้เกิดมาได้ฟังธรรมนะแล้วเราก็จะปฏิบัติธรรมเป็นการเดินตามคำสั่งสอนของพรนะเจ้าเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่เรียกว่า มีคุณค่ามากเนาะก็ก็คิดว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ก็ได้ใช้ชีวิตในการเดินตามรอยพระพุทธเจ้านะหลายคนก็มั่นคงในเส้นทางนี้นะหลายคนก็เพิ่งมาเริ่มต้นฝึกหัดนะก็ขอให้เราได้ได้เดินทางกันต่อไปนะเพื่อให้เข้าถึงมรรผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเถิน